พระธรรมเทศนาแผ่นที่95้าาลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าอดทนกัดฟันสู้วันนี้รู้สึกอากาศเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะวันนี้นะ ฝนตกพล่ำๆเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่ยฝนตกพล่ำๆลูกหลานผู้ใดมีเสียงออกไปข้างนอกก่อนนะผู้ใดมันจะมีเสียงนะผู้ใดมีลูกหลานมีเสียงให้ออกไปข้างนอกผู้น่ะไปพวกอยู่ไปไกลๆไปนะลูกใดผู้ลูกหลานผู้ใดมีเสียงนะกานผู้ใดบมมีเสียงให้นั่งอยู่เนี่ยมันใหญ่ห้ควรจะคอยเอามาฟังมาฟังดวงตาเบา เดี๋ยวนี้มันลบขวนมูออกไปทั้งนอกก่อนลูกหลานผู้ใดเสียงมีเสียงออกไปทั้งนอกหลวงพ่อจะ่งบอกอย่งให้ลูกหลานฟังคณะนี่พระในวัดของเล่าทั้งหมดวัดของพัวเข้าทั้งหมด C48 ่สิบแปดองค์นะลูกหลานนะสามเนี่นองค์มันหนึ่งดฉันสองค์พระสี่เน่ยหนึง่งกระจายอยู่ แล้วก็หวัดของเห้ามี่ก็จะหน่อยเป็นผ้ามูขนาเห็ดชะพานแล้วก็ถนนถนนเชื่อม ข, อขามาน ท, ทั้งสองขากลุ่มพ่อก็ถามถามเมื่อกี้นะี่ว่าถนนย้าเป็นไหนะมาณสองรอยเมตรทั้งสองขากางหนึ่งกับป่วยเหย้าเป็นแต่ขางหนึ่งมันเย้า ร่วมเหลือประมาณสอ ง, สองรอเมตรกว้างประมาณสี่เมตรถนนกับบริเวณกว้างเท่าไดแต่สะพานเท่แล้วแล้วสะพา น, นกว่างเจ็ดเมตรถ่ายสิบเน่าเลยี่สยี่สบเมตรย1บเอดเมตรขนาดนี้แ่ะแต่พอค่าใชจ่ายนั่น เนี่พระท่านหูจักว่าจะได้ใส่ใจมากน้อยแค่ไหนกต่กำลังหลวบร่วมอยู่กระหูท่านก็รู้รู้อยู่แล้ ว, ลวนะค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเหล็กมีหินมีปูนมีทรายมีค่าแรงบ้างที่จะต้องได้ใช้ใจ่ายแต่ก็หลายเงินพอสมควร น, นะแต่หลวงพ่อถาม ผู้รับเหมาที่หลวงพ่อเคยถามว่าผู้รับเหมาสะพานเนี่ยตารางเม็ดละเท่าไหร่ตารางเมตร 50, นะละห้าหมื่นนัหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อก็ถอยกูดเหมือนกันนะอปัจจัยคงจะไม่พอมั้งแต่ถามท่านหน่อยท่านหน่อยก็เลยบอกว่าถ้าเราทําเองคงจะไม่แพงขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อมีแต่เราจ่ายเงิน เหล็กห็นปูนทรายแล้วก็ามาทําเองก็คงไม่ไ ม, ไม่ไม่แพงมากหลวงพ่อเลยเอ๋อถ้อย่างนั้นก็น่าจะทําเพราะมีความมีความจำเป็นส่วนหนึ่งสะพานของเราก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวทา้งแคบด้วยแล้วก็สมัยนั้นก็ทําด้วยความาจําเป็นเพราะต้นไม้มีมากถ้าเรามีเสาค้าตรงกลาง ทำให้มันเป็นต้านวัชพืชที่มันไหลเป็นขยะที่ไหลามาจากภูเขามาเกาะอยู่ที่เสาสะพานจากนั้นก็นทำให้สะพานเป็นเขื่อนเลยทนมันมีเท่าไหร่มันก็พังหมดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่มีเสาค้ำกลางจึงมีแต่หัวท้ายมันก็ยาวถึง25มาเมตร ก็ทําให้สะพานของเราถ้ารถแม็กโคเท็กเตอร์มันเดินกบกบกบก็มันจะเหมือนอูเลยไงเอามันเวียงไปเวียงมาเวี่ยงไปเวียงมาอหลวงพ่อเห็นนอูไม่น่าไว้ใจเพราะเราสะลาสะพานของเราไม่มีเสาไม่มีเสากลางฮแต่หลวงพ่อมาทําอีกคราวนี้มีเสากลางแน่นหนามั่นคงคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนา นานเท่านานแล้วก็พร้อมกันก็มี เ, เสียทวีสันวิชัยวง์โตเสียโตามารับเหมาในทินนี้ท่านเข้ามาเข้ามามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อเออหงพ่อกำลังทำสะพานอยู่แหละ เ, เสียโตก็บอกว่าครับผมจะช่วยเป็นเจ้าพาคาในการสร้าง แต่จำนวนที่หลวงพ่อจ่ายไปแล้วก็คือจ่ายไปก่อนแต่จํานวนที่เหลื อ, เ, อเหลือก็อพึงตั้งโหมอท่านเองนะไม่ใช่เหลือมักน้อยนะเหลือมากทีเดียวแล้วก็ทวีสันวิชัยวงเสียโตทั้งพ่อครอบครัวก็เลยรับจะเป็นภาระนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็จะบอกที่หลังว่าถึงยังไงถ้ า, เ, าเสีย หนักเกินไปก็บอกหลวงพ่อคือไม่ให้หนักนะทำแบบสบายใจถ้าว่าไม่หนักเนกะิอเอาทังตีสร้างสะพานในวัดนะสร้างเข้าสู่มรดผลสร้างให้ข้ามความชั่วเสียหายสร้างเพื่อบุญกุศลใครมาเข้ามาสู่วัดก็ต้องผ่านสะพานเราเราก็ได้รับบุญกุศลจากคนคนนั้นท่านโพนั้น พระกูบาจารย์ท่านนั้นจะอยู่นานเท่า น, านั้นพวกเราจะได้รับบุญกุศลในการก่อสร้างในคราวนี้ครั้งนี้เหมือนกันนะตะกิดไปยาวๆนะวันนั้นวันนี้คอคุณทวีสันวิชัยวง์เสียโตนะบ้านท่าพระแ ท, แท็กเตอร์และก่อสร้างจำกัดจังหวัดขอนแก่น เอบอกยืนคุกเข่าให้หมูได้เห็นว่าที่เสียโตเออนนี้แหละคือหันหน้าไปทางโน้นให้ทางหน้าเน่ยทางพี่น้องลูกหลานด้วยเออเอาหนุโมทนานะพวกเรานะเอนี่ยจากนั้นพวกเราก็มีส่วนช่วยมีศรัทธาศรัทธาญาติโยมก็มีส่วนอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เนี่ยรับจักศรัทธาญาติโยม ที่ยังมันขาดเหลือขาดตกอะไรหลวงพ่อก็จะเพิ่มเติมเข้าไปเพราะข่าวก่อนที่หลวงพ่อจ่ายไปครั้งก่อนครั้งก่อนที่ซื้อเหล็กอะไรก็จ่ายไปหมดไปสามแ 0,000 กว่าเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่เสียเขามารับข่าวนี้ก่อนนะหลับต่อจากนั้นมาก็คงจะใช้หลายเงินเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อก็เบาใจที่ ลูกหลานได้มารับช่วงแล้วก็แต่ที่ยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าจะยัดเยียดนะคือให้ไม่ให้หนักใจเลยให้สร้างเป็นส ร, สร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลในการทำทำในครั้งนี้ให้เบาใจหลวงพ่อเองเป็นครูบาอ า, าจารย์หลวงปู่หลวงตาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักกกหนักใจในเรื่องทาบุญทาด้วยความ เต็มใจทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความศรัทธาว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะวันนี้เป็นวันที่20เมษายนพุทธศักราช2559นะวันนี้ลูกหลานนะรู้สึกว่าฟ้าฝนก็พรำพตอนเช้าน้อยหนึ่งแต่ลุงพ่อเองอยากจะประกาศให้คณะสัายาธิโจมลูกหลานเพราะวันที่27เมษายน 59นะ่ะเป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้มีบัตร เ, เชิญเชิญหรือว่านิมนต์พระสงฆ์มาในงานเพราะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นพระของครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่าเท่าท่านผู้ใดสะดวกมาในงานของหลวงพ่อมาวันเกิดมาได้พบมาพบมาเจอกัน ก็ขอเชิญเข้ามาร่วมงานมาได้ไม่ต้องเขิรๆนเขิร์ น, นพอหลวงพ่อไม่ได้เชิญท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นพิเศษเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยวันเกิดหลวงพ่อก็มันก็มีอยู่ทุกปีอยู่แล้วถ้าว่าพี่น้องศรัทธาญาติโยมจะเข้ามา ทางแบบแบบพูดแบบหนึ่งก็ว่าสุภาพสุภาพว่ามาแสแดงมุทิตาสักการะลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ทัดข้องบอกลูกหลานทุกคู่ทุกคนแต่จะได้รับความสะดวกสบายไหมอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่รับรองพี่น้องประชาชนามากมายได้ที่ผ่านๆมาก็เห็นเห็นแต่ก็พยายาม บอกวันนี้แหละหลวงพ่อเองก็จะประชุมเรียกประชุมพระลูกพระหลานที่อยู่ในวัดให้ช่วยกันดูแลแขกคนผี่น้องลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาร่วมงานตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องในวัดหลวงพ่อก็จะบอกกล่าวแนะแนวทางอย่างไรพ ว, พวกเราจะต้อนรับขับสู้อย่างไรแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าหาคนมากเราจะ ตนรับขับสู้ทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ให้ถือถือว่านะผู้ที่มาทุกท่านให้ถือว่ า, นะาหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่อยู่วัดป่านาคาน้อยอปีสองสหลวง พ, พ่อเองกวาดใบไม้มาแล้วก็เอาเสือขึ้นไป เ, เป็นทำเป็นกองนะขึ้นใบไม้เป็นกองเส็แล้วเอาเสือขึ้นไปปูทับ เพื่อไม่ให้ปวกกัดกินเสือ้อจากนั้นเวลานอนก็กางมุงกลมมุงกลดของพระแล้วก็เอามุงเบนเข้าไปในใต้เสือเพื่อไม่ให้แมลงป่องกับตะขาบหลวงพ่อกลัวมากกลางคืนนะนอนนะเบนเข้าไปแล้วก็ยังค่อยไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเวลาเดินจงกรมเสร็จแล้วหลวงพ่อลำบากถึงขนาดนั้น แต่ถึ้งยังไงพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาจากจารตริศมาในงานหลวงพ่อจะได้รับความสะดวกสบา ย, ยก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อลำบากมาตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆมาอยู่ครั้งแรกหลวงพ่อกวาดไปไม้อยู่การ น, น้ำดื่มน้ำใช้อะไรทุกอย่างห้องน้ำห้องส้วมไม่ต้องพูดถึงลำบากเพราะเหตุเพราะมันเริ่มใหม่มาอยู่ด้วยกันสององค์ ออกทุดงมามาอยู่ตรงนีนะ้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาจากจาตุรทิศถึงคงจะไม่ลำบากถึงขนาดนั้นเพราะทุกวันนีมีร ถ, ม, รถมีรถเมราจะวิ่งออกไปพักในละแวกนี้ก็มีบ้านพักจัดเขาเป็นบ้านพักมรอะไรสำหรับแขกคนโรงแรมในท้องถิ่นก็มีอยู่ ในวัดของเราก็มีแต่คงจะไม่เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาพักแต่ถึงยังไงถ้ามาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจมาด้วยศรัทธาที่จะมาถึงจะลำบากก็มาได้หลวงพ่อยินดีรับกับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนถ้าว่าไม่ได้มามีภาระมีทุระจำเป็นละไม่ได้มาแล้หลวงพอยกมือ ผมจะยกมืออยู่ทางนี้แ่แหละหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นญาติโกโหติกาเป็นญาติของหลวงพ่อเหมือนเดิมก็ข อ, ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอยู่ในมุมโลกไหนก็ประพฤติตนให้เป็นคนดีให้คิดดีทำดีพูดดีถ้าพวกเร า, าดีคืออะไรดี พอเราเป็นคนดีสรุปแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะอยูนะ่ที่ไหนที่ใดหลวงพ่อก็ยังถือว่าเป็นญาติธรรมเป็นญาติโกโหติกาของหลวงพ่อเป็นลูกหลานของหลวงพ่อนะแต่ถ้าว่ามาอยู่ใกล้กนะ็เถอะนะมากอดแข้งกอดขาหลวงพ่ออยู่แต่จิตใจเลวเเทําตนไม่ดีอในหลวงพ่อถึงจะอยู่ใกล้หลวงพ่อก็เหมือนอยู่ไกลคนละ คนละแนวความคิดกันคนละภาคฝาั่งแม่น้ําทะเลเพราะหหลายเพราะว่าใจของผู้ที่มาอยู่ใกล้นั้นไม่ประกอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลที่มีประโยชน์หรือว่าหลวงพ่อถือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้น่ ผู้มุ่งหวังต่อคุณงามความดีเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ที่จะไปสู่มักสู่ผลตามที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนะ้อันนี้เพียงแต่หลวงพ่อบอกกล่าวให้กับศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยก่อนนั้ถ้าหากว่าจะมาก็เชิญนิมนวันที่ 26จะมีการสวดมนต์เย็นแล้วก็ขอพี่น้องประชาชนที่จะมาทำโรงทานถ้าบอกมือหนักหน่อยก็อยากจะให้มาทำตั้งแต่วันที่26นั่นนะเพราะาเพราะว่าแขกคนพี่น้องลูกหลานกาลังหลั่งไหลเข้ามาบางทีอาธิหิวอาหงอาหารพวกเรามาตั้งโรงทานก็มาทัมาทำเลี้ยงตั้งแต่ วันที่ยี่สิบก็จะดีนะหลวงพ่อว่านะแล้วก็พี่น้องลูกหลานผู้ใดที่เข้ามาแล้วกันนะหลวงพ่อจะเลี้ยงเราบ้านะเอาโรงทานเลี้ยงนะเอาโรงทานเลี้ยงพี่น้องลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้สุข ก, กายสุขใจที่มาร่วม ง, งานวันเกิดของหลวงพ่อแล้วก็ตอนเย็นก็สวดมนต์เย็นหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรอีกนะ แล้วก็จะมีการแจกธรรมเทศนาแล้วแจก m p ็แจกหนังสือที่หลวงพ่อเคยทำเคยทำเคยจัดเคยทำมาแล้วะให้แก่บขับลูกหลานพี่น้องประชาชนเป็นของลํำเลึกของสำ่วยของวดได้ตัวมิ่คุณพ่อเองก็ไม่คิดไม่บอกไม่อยากจะพูดหราอว่าสำลวยนะเป็นของที่ระลึกเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเอาไปอ่านเอาไปศึกษา พอหลวงพ่อคิดว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการแจกธรรมะการแจกความรู้แจกคุณธรรมในหนังสือหรือ m p 3สให้กับพวกเราไปฟังไปศึกษ า, าถ้าแจกขนมนมเนยให้กินกินแล้วก็แล้วไปเป็นวันๆถ้าแจกหนังสือธรรมะถึงจะฟังในวันนี้ใขณะนี้ก็เถอนะแต่ฟังแล้วมันกินจิตกินใจติดจิตติดใจเป็นนานเท่านาน อพอเห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมะเป็นเครื่องกล่าวย้ำเตือนให้กับพวกเราสํานึกลําลึกถึงเราจะประกอบแต่คุณงามความดีเพียงฟังเพียงคําเดียวนะอย่างหลวงพ่อพูดว่าที่หลวงพ่อออกมาทุโถงใหม่ที่บ้านวังแค่หลวงพ่อบอกว่าพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมอทุกคนนะให้มีความอดนหลวงพ่ออดนะ อดนะอดทนนี่แนหะทุกพวกเราทุกคนมีความอดทนมีขันติความอดทนจุกับครอบกับครัวกับพ่อกับแม่กับเพื่อนฝูงกับวงศากนาญาิทำการทำงานถ้าว่ามีความอดทนเป็นพื้นฐานในจิตใจแล้วงานชิ้นนั้นจะประสบความสาเร็จหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ มีการยืดหยุ่นต่อกันมีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขต่อกันเพราะมีความอดทนเป็นพื้นฐานในหลวงพ่อพูดเพียงคําเดียวแต่คราวนู้นนะมาทุกวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้ยินแล้วก็ยังนํามาบอกกล่าวบอกให้หลวงพ่ออยู่เมื่อวานหลวงพ่อดิฉันได้ฟังเทศของหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออดทนนะหลวงพ่อเห็นเหมดนั่นดิฉันยังนําไปปฏิบัติอยู่นะ นขนาดหลวงพ่อพูดมาตั้ง 23-10 ปีก็ยังได้ยินเมาานื่อวานแี่เอกเพราะนั้นคำใดข้อตามที่นำไปแล้วฟังแล้วเกิดประโยชน์ต่อผูด้ได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่าคำพูดนั้น เ, เป็นคำพูดที่เป็นสุภาษิตทำให้จิตใจของพวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้น การแจกธรรมเทศนา mp 3ของหลวงพ่อที่จะแจกวันที่27่ัน่าก็คงจะเป็น10แผ่นนะเป็น10แผ่นแล้วก็มีหนังสือตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์อีกแล้วก็คติธรรมที่พระลูกพระหลานทำขึ้นมาอีกจะมาแจกศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีถุงใส่อีกต่างหากนะก็มีหลายแนวอยู่ที่ลูกหลานเสนอ หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เออก็ดีมีน้ําใจต่อกันผู้ที่เข้ามาแล้วก็เออคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งเฉลือเผื่อแพร่กันก็ถึงยังไงก็อย่าให้เดือดร้อนนะอย่าให้เดือดร้อนตนเองนะทาด้วยศรัทธาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําเพื่อหวังบุญหวังกุศลอย่าให้นักผู้ใดใครผู้หนึ่ง ไม่ใช่ว่าทําเสร็จไปแล้วแจกไปแล้วในหมู่ในคณะกทะเละวิวาทกันคนนั้นออกมากคนนี้ออกน้อยเอ อ, อย่างนั้นไม่ดีนะลูกหลานก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดให้ดีให้รอบครอบหลวงพ่อเองบอกอย่างนั้นนะบอกลูกหลานเพราะหลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดคือเรื่องทะเลวิวาทคือความไม่เข้าใจกันแต่พูดหม่ไม่อเข้าใจกันง่ายง่ายแต่พองานเสร็จไปแล้วนะเ่ทะเลาะบาแวงบาดหมางกันไม่ดีเนะ้อ ห ล, ล, ล, ลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อก็เป็นห่วงสอนลูกสอนหลานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่จะมาวันเกิดของหลวงพ่อนวันที่27นะีพอตอนเช้าก็คงจะมีการตักบาตรแล้วพระสงฆ์ก็คงจะพอสมควรแต่ปีก่อนๆกันกน่ะเกือบประมาณสนะักเกือบ200ร้อยนะร้อกว่าเกือบ200ร้อพี่น้องประชาชนก็มากอยู่ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่ว่าปีนี้แต่นะ่ะจะมากมามากน้อยเท่าไหร่นนวันที่วันที่ยนะี่สิบเจ็ดน่ะเป็นเครื่องพิสูจน์เราจะมาเห็นมากๆมามากหรือมาน้อยนะให้วันงานผ่านไปก่อนหลวงพ่อจะพูดให้ฟังเออปีนี้คนมามากไม่มากะหลวงพ่อก็จะว่าเออปีนี้คนมามาก่ะหลวงพ่อก็จะได้บอกกล่าวให้ลูกหลานได้ยินได้ฟัง แต่ทิ้งยังไงก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเน้่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลักศีลหลักธรรมคุณงามความดีพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการสะสะแสวงหาทรัพย์ในโลกเราก็ไม่ได้ประมาทแสวงหาโดยความฉลาดรอบคอบของเราแต่ด้วยความสุดจริตนะ หาด้วยความสุดจริตได้เมื่อมาได้มาแล้วก็นั่นแบ่งจาติโกโหติ迦เท่าเท่าที่เราจะแจกแบ่งเสียสละได้คือทาน ะ, ะ่าทานะคนโบราณเขาบอกว่าเกิดมาพบโดชาติใดถึงจะไม่ล่ำไม่รวยก็ให้มีอยู่มีกินให้ได้กินได้ทานนะขาวั น, ะ น, ะนะได้กินแล้วยังไม่แล้วนะ ก็ว่าได้กินคำนี้คล้ายๆว่าเลี้ยงธาตุขันของตนเองถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปแต่เลี้ยงธาตุขันมีแต่ความแก่เจ็บตายในที่สุดแต่ก็ให้ให้ได้ทานด้วยนะทานะคือทานให้ได้ทำบุญทาทานเพื่อฝากไว้เป็นเสบียงเดินทางต่อไปในอนาคตถ้าว่าคนมีบุญคนได้ทำทานอันนี้สงแห่งการทานทานะคำนี้แหละ ได้ทําบุญทําทานไปแล้วเกิดมาพบใดชาติใดอั น, นิี้สงทานจะเกือ้อกูลนุนดวงวิญญาณท่านผู้นั้นไปนสถานที่ใดก็จะมีแต่ความสุขกายสุขใจเพราะอันนี้สงทานเกื้อกูลหนุนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั้นะท่านเกิดมาพบใรชาติใดท่านก็ยินดีในการทําทานเนะพราะฉะนั้นอันนี้สงของท่านส่งมาตลอด มาถึงพบนิชาตนที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธบุตรสัตวพระสงฆ์ทั้งหลายสนทนากันพระพุทธเจ้าได้เป็นคนที่นับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าที่มากขนาดนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนหนึ่งาจากนั้นทกันได้ทรงพนวดาจากนั้นก่อนเนี่ยเสื้อเจ้าเสื้อพระวงศ์ทั้งหลายเข้ามาเคารพนับถือท่านเพราะท่านเป็นเจ้า พระองค์บอกว่าไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นคือส่วนประกอบสิ่งที่เราได้รับความยกย่องเรียกว่าในอเนกสงที่การเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอเนกสงทานของข้าพเจ้าของเราตถาคตในอดีตชาติพระองคงตรัสอย่างนั้นนะท่านไม่ได้ว่าท่านเป็นพระเจ้าเป็นดินก่อนที่จะได้เป็นพระเจ้าเป็นดินอเนกสงของท่านส่งมา ส่งมาเป็นลําดับลำดับลำดับส่งไม้ขึ้นมาลําดับลําดับจนประสบสําเร็จเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็นเรื่องนั้นมาตั้งแต่เรื่องทานเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเกื้อกูลหนุนกันมาตลอดจากนั้นก็เลยสำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องอันนี้สงทานเนี่ยอย่ามองข้ามถ้าพอเป็นพอไปเอออ้าวถ้าเราไม่เดือดร้อนน่ะทำ ศีลก็รักษาบ้างรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมีเมื่อมีโอกาสภาวนาก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทประกอบคุณงามความดีทางด้านจิตใจแปลว่าภาวนาแปลว่ารวบรวมรวบรวมทรัพย์มมสมบัตินะคล้ายๆกับว่าตะกอนทานเนี่ยคือการทําการทํางานศีลเนี่ก็คือกา ร, กา ร, ากการประกอบคุณงามความดี พอวนาเลยไปวรวบรวม ท, ท, ท, ทั้งทานทั้งศีลเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวนะแค่เข้ามาเข้ามาสู่จิตใจของเราเรามีทานกี่ครั้งเราทําอะไรบ้างเป็นที่พอใจหรือยังเรารักษาศีลเท่าไหร่เป็นที่พอใจของเราหรือยังแล้วก็รว ม, มอยู่ที่ภาวนานะภาวนาไปว่าทําจิตใจให้นิ่งดูดูเรื่องการเป็นอยู่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา จากนั้นก็จนถึงจิตสงบเป็นหนึ่งฮะเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนะก็ลำนามาพิจารณาคลี่คลายว่าเราเป็นอยู่อยู่ด้วยอะไรจะอยู่เป็นานสักเท่าไหร่สร้างร่างกายสังขารร่างกายของเราเนี่ยจะยืนนานไปสักเท่าไหร่นั่นน่ะพิจารณาคลี่คลายว่าวิปัสสนาจากนั้นก็เห็นในอัดในธรรมเห็นรู้แจ้งเห็นจริง ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเห็นอนไจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายาตัดกิเลสไม่มาเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการนี่แหละสรุปแล้วก็คือมาตั้งแต่ทานศีลมาถึงภาวนาภาวนาแปลว่ารวบยอดนะแปลว่ารวบยอดอาการกรองไตร่ตองเรื่องต่างๆาจากนั้นของอันไหนควรจะตัดอันไหนควรจะปล่อยอันไหนควรจะวาง อันไหนควรจะรู้แจ้งเห็นจริงในจิตในใจอันนี้พวกเราต้องศึกษาจุดเนีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับพระธรรมคำสอนของพุทธะนะถ้าเราจะมาสอนกันให้จบทีเดียวยมันไม่ไดเ้เพราะการสอนเนี่ยใ้เขาสอนให้รู้แนวทางแล้วก็ให้นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัตินั่นแหละพวกเราจะรู้เป็นขั้นตอนเป็นระยะระยะ จนถึงเป็นมหาเศรษฐีเป็นได้อย่างไรเนี่ยแหะถึงขั้นโ น, น้นคือเป็นพระรหานคือเป็นมหาเศรษฐีพราะะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ เ, เก็บหอมลอมดิสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตนนะ้นเรื่องทําบุญทําทานเล็กเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆต่อไปก็ใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไ ป, นไปอันนี้สงทาน เ, าเราทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองงอกเงย เพราะอะไรเพราะใ น, นสงทานเครื่องคุณนุนนะถ้าบาปอากุศลเข้ามาตัดรอนแล้วกันนะถึงอยากจะได้อะไรก็มากันนะมีความอะไรเข้ามาตัดทอน เ, อเจ็บไข่ได้ป่วยปังอะไรปังในเราบาปอากุศลเข้ามาตัดในช่วงนั้นแต่ถึงอย่างไงเราอย่าย่อท้อนะอย่าย่อท้อประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นคือดีดีคือดีเร็วคือเร็วเรื่องอย่างอื่นคือเรื่องอย่างอื่น แต่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำยังไงจึงจะถึงจุดหมายปลายทางฮนะเหมือนกับเขาชกมวยอย่างนั้นนะถึงจะเจ็บถึงขนาดไหนก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อจะให้ถึงจุดหมายปลายทางคือชัยชนะนี้ก็เหมือนกันนะพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ ถึงจะมีอุปสรรคนานับประการอย่างไรก็ตามเราก็พยายามฝ่าฝันอุปสรรคนั้ น, น, นเดิน เ, เดินด้วยศีลด้วยธรรมเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานพอถึงมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นบร ม, มสุขแล้วทนเีเป็นผู้ชนะไม่ใช่ชนะสิบทิศร้อยทิศพันทิศชนะทั้งหมดเลยทนยีชนะในใจของเรานะรับพรนะทานเ น, น, นพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร